ด้วยความมั่นมั่นใจไม่ประมาทรักษาอาจิคมใจไว้เป็นสีผู้ฉลาดอาจตั้งหลักพำนักดี อันห่วงน้ำไม่มีมารังควานขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านสามสิบนาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านสาธุชนเข้าสู่รายการธรรมะส่สันติซึ่งวันนี้จะขอนำท่านสาธุชนเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัย แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสแสดงไว้ดีแล้วซึ่งวันนี้จะขอนำท่านสาธุชนเข้ามารับฟังธรรมบรรยายของพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรรมการมหาเถระสมาคมและเจ้าคณะใหญ่ผลตะวันออกที่สําคัญพระเดชพระคุณ เป็นองค์ประธานสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งดูแลเกี่ยวกับโครงการของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามซึ่งทำหน้าที่เผยแพร่ธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกสู่ท่านสาธุชนตามสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์และวิทยุรวมทั้งการให้การศึกษาอบรมทั้งภายในวัด ซึ่งมีการจัดกิจกรรมโครงการอบรมพระกรรมฐานประจําปีปีละสองรุ่นคือรุ่นกลางปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนพฤษภาคมและรุ่นปลายปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนธันวาคมเป็นประจําทุกปีสําหรับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมโครงการอบรมพระกรรมฐานประจําปีและ ทางคณะผู้บริหารงานได้อาราธนาพระเดชพระคุณท่านให้ความรู้ถวายความรู้แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่เข้ามาศึกษาอบรมธรรมะปฏิบัติให้ได้รับฟังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยจะเน้นไปที่พระธรรมวินัยจึงขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่าน มาตั้งใจรับฟังธรรมบัญญายจากพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์องค์ประธานสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยพร้อมกันพระคุณเจ้าที่คารพและท่านสาธุชนทั้งหลายโดยการต่อจากนี้ไป ก็เป็นรายการธรรมบัญญายซึ่งวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีเป็นสิริมงคแลแด่เราทั้งหลายเพราะว่าพระเดชพระคุณท่านผู้เป็นประธานของโครงการนี้ได้มาเยี่ยมเยียนถึงสถานที่นี้แม้ว่าฟ้าฝนจะตก ก็ไม่เป็นปัญหาอุปสัตตประการใดหรือพระเดศพระคุณมีความห่วงใยพระภิสุสมมเนรอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าพระเดศพระคุณจะไม่ได้มาก็ได้สอบถามจากพระภิกษุทั้งหลายที่เดินทางเท่ากรุงเทพพระเดศพระคุณก็จะถามถึงความเป็นอยู่ความสุขสบายของเราทั้งหลาย อันนี้แสดงถึงความห่วงใยนอกจากนั้นพระเดศพระคุณยังเป็นห่วงเรื่องศีลอาชรวัรคือการประพฤติปฏิบัติของพระภิสุสมณเณรทั้งหลายต้องการให้อยู่ในกรอบระเบียบวินัยอันดีเพื่อเป็นศีลสานาแก่สถาบันแห่งนี้และนับว่าเป็นบุญบรารมีของเราทั้งหลายที่ได้พระเดศพระคุณซึ่งผู้เป็นองค์ประธานของสถาบัน ท่านไม่ได้ทอดทิ้งธุระอันนี้พยายามเอาใจใส่และให้ความรู้เท่าที่พระเดศพระคุณจะมีเวลาว่างมาเยี่ยมเยียนเราทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งซึ่งพระเดศพระคุณได้มาเยี่ยมเป็นการส่วนตัวก็นับว่าเป็นสตริมงคลแด่เราทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งและเพื่อให้ได้โอกาสอันงามนี้ ในช่วงที่พระสงฆ์และญาติโยมทั้งหลายพร้อมและในสถานที่นี้กล่าวกระผมในนามแห่งผู้ดำเนการฝ่ายการอบรมก็ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณได้ประทานโอวาทและแนะนำข้อปฏิบัติอันเราทั้งหลายจะพึงปฏิบัติถือไปตามต้องควรแก่เวลาขอรับพระพุทธเ้ท่านพระเถระนุเถระ อาจารย์วิทยากรเพื่อนสธรรมิกพระภิกษุสมณีนและท่านสาธุชนพุทธมริษัทายกทายิกาทั้งหลายในโอกาสนี้ผมได้มีโอกาสมา เยี่ยมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้มาเปิดการฝึกอบรมแล้วระหว่างที่ไม่ได้มานั้นก็ได้ทราบข่าวอยู่เป็นลำดับลำดับว่าการปฏิบัตินั้นก็ได้ผลพอสมควร และมีท่านพระเถระมาให้ความรู้ในทางธรรมะมาเป็นลำดับลำดับวันนี้จึงจะมาขอพูดกันแบบภายในธรรมดาไม่ใช่เป็นการไอเป็นหัวข้อธรรมะข้อใดข้อหนึ่งโดยตรงจึงขอให้ฟังโดยสะดวกร้อยเอามือลงได้ แม่โยมก็เหมือนกันฟังสบายสบายถ้าใครอยากจะนั่งสมาธิพร้อมกันไปก็ทำได้นั่งสมาธิให้จิตสงบไปก็ได้ <c oughs> ที่จริงนั่นก็อยากจะมาคุยกับพระมากกว่าคุยกับโยมเพราะว่าโยมนั่นได้ปฏิบัติธรรมอยู่มากแล้ว เหมือนกับพระที่ว่าอยากจะพูดกับพระนั่นก็คืออยากจะเน่นหนักไปในทางเรื่องวินัยแต่ว่าวันนี้ก็มีญาติโยมฟังอยู่ด้วยบางอย่างก็อาจจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลไปถึงญาติโยมอยู่บา้างหากว่าจะเป็นเรื่องของพระโดยตรงก็ขอให้กําหนดใจ ในทางธรรมปฏิบัติก็ได้ผมได้พูดเป็นประจำทุกปีว่าพระพุทธศาสนาของเราที่มีความงามทั้งสามส่วนนั่นก็เพราะ พระพุทธเจ้าของเราทรงอย่างรู้อย่างเห็นโดยรอบขอบทุกประการไม่ใช่มุ่งแต่เฉพาะแต่ส่วนใดสิ่งใดอย่างเดียวอย่าง ลัทธิในสมัยพระพุทธเจ้ามีอยู่มากพระพุทธเจ้าทรงไปศึกษาสมาธิในระดับชาญที่สำนักของท่านอุทธกุทกดาบทและอาราระดาบทเป็นอาจารย์ผู้ฝึกอบรมจิตใจที่สำคัญ อยู่สองท่านเป็นที่รู้จักกันในเวลานั้นว่าท่านเก่งแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้นได้นั่นเป็นส่วนสูงเรียกว่าประโยชน์สาระกัลยานะคืองามสุดยอด ในส่วนเบื้องต้นที่เรียกว่าอาทิกัลยานะงามในเบื้องต้นก็ขาดไปอีกเพราะว่าระเบียบแบบแผนต่างๆข้อปฏิบัติธรรมดาทั่วๆไปก็ไม่ได้สอนอีกก็ขาดไปก็เลยเหลืออยู่แต่ตอนกลางอาทิกกัลยานะขาด ประโยสานะกัะยญาณะขาดขาดงามเบื้องต้นขาดงามเบื้องปลายคือสุดยอดก็เหลือแต่มัดเชกัยาณนะงามท่ากลางงามท่ากลางก็อาจจะกล่าวได้ว่ายังไม่เป็นความงามที่ งพงคอมก็ได้แต่ก็นับประดีที่ยังมีความงามอยู่ในธรรมกลางอยู่เป็นส่วนมากคือใจอยังเป็นสมาธินอกจากท่านทั้งสอง คือท่านุทกรดาบทและอาลาระดาบทแล้วยังมีเจ้านักธีอีกมากและยังเหลืออยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันบัดนี้ใครไปอินเดียก็จะพบพบ พ, บพวกฤาษีชีใกลถึงกับมีเมืองที่อาศัยของชาวฤาษีเรียกว่าฤาษีเกตเกตนั่งแลววาที่อาศัยก็ได้ ฤสีเกตก็คือที่อยู่ที่อาศัยของพวกฤสีมากถือการบริโภคเว้นเนื้อสัตว์ไม่ได้ทำอะไรนั่งให้สงบเป็นวันวันวันวันวันวั น, วนไม่ทำอะไรมากภาพรนุ่งห่มก็ บางทีเสื้อผ้าไม่มีมีแต่ผ้าหนุ่มผืนเดียวแกก็อยู่ได้เราไปเห็นแล้วก็ก็ต้องยอมรับว่าจะเก่งเหมือนกันคือเก่งตรงที่ว่ามีแต่ผ้านุง่งผืนเดียวแกก็อยู่ได้ผ้าห่มก็เป็นผ้าห่มยาวๆเหมือนกับผ้าสบาของโยมน่ของโยมฝ่า ย, ย, ายทายิยกา ของบาิกาพาดพแกไม่ได้พาดอย่างของโยมพาดเนี่ยก็ห้อยห้อยห้อยหอยไว้ที่ไหล่ทถวนั้นแกก็อยู่ได้คนไทยเราไปเห็นขา้าวโอ้สําคัญเก่งหลงไปก็เยอะว่าเก่งกว่าพระเราอีกบางคนหลงนะโยมหลงหลงไปหลงเขาแม่เขาเก่งจริง Hmm. จึงมีเจ้าคุณองหนึ่งท่านไปอยู่อินเดียนานเหมือนกันเจ้าวาดพระมกุฎองรงปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าคนอินเดียเนี่ยสำคัญทำอะไรให้จริงนะมันยอมนะมต้องขออภัยด้วยโยมผู้หญิงนั่งอยู่นี่บอกถ้าแก้ผ้าให้ได้มันก็นุ่มมันก็ไหวได้แก้ให้จริงนะ แกอย่างชนิดที่นั่งเฉยอจฉันก็ว่าได้แล้วก็มีจริงๆด้วยมีจริงๆด้วยคนก็นับถือ <c oughs> นับถือคนแก่ผ่าแต่ไม่ใช่แก่ผ้าอย่างเดียวนะแก่ผ้าอย่างเดียวก็เป็นคนสติวิปลาดไปนี่แกถือว่าแกเป็นผู้ปฏิบัติเป็นนักรถปฏิบัติเคร่งนั่ง ลืมตาก็ตาขมิ้งเหมือนเราไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นหนละหลับตาก็หลับได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่งคนอินเดียก็ไปกราบกราบได้และเขาก็ถือว่าวิธีอย่างนั้นนะเป็นวิธีปฏิบัติที่ทำให้เขาถึงโมกษะคือการหลุดพ้นได้ไม่ใช่สมัยพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่อย่างนี้แหละโยม พระบุทธเจ้าของเราท่านทรงทราบดีทรงมองรอบครอบแล้วจึงได้ทรงสอนเมื่อได้ ต, ดตรัสรู้แล้วทรงสอนให้งดงามทุกประการงามภาษาบาลีใช้คำว่ากัะยานะที่ยมทำวัดกันนะ่ อาธิกัลยานังมัทเชกัลยานังปรโยสานักัลยานังสาสทังสัพยัญชนังเทวละปริปุนังปริสุทธังธรรมะจริยังประกาศเสสิธรรมะจริยังประกาศเสสิพระพุทธเจ้าประกาศอะไรครั้งแรกประกาศธัมจะจันประกาศธัมมะจัน แปลว่าความประพฤติปฏิบัติที่เลิเลิอประเสริฐยิ่งถ้าพราหมณ์นับถือว่าพรหมสําคัญก็นี่แหละสูงกว่าพรหมอีกนี่แหละสูงกว่าพรหมอีกเพราะว่าในสมัยนั้นเขานับถือพราหมณ์กันมากพราหมณ์ถือว่าสําคัญเป็นวันณะที่สองถัดจากกระัตรสําคัญมาก แล้วศาสนาพราหมณ์ถือว่าพระพรหมเป็นผู้บันดาลพระพุทธเจ้าก็ประกาศทีเดียวข้อพระพฤติปฏิบัติติดสูงยิ่งเลิ่อตประเสริฐถือว่าพรหมเก่งไม่เก่งกว่าพรหมอีกพระมจริด้ยังคนก็ตกใจแลาไมัจะไม่ตกใจว่าเขานับถือพรหมมาดังนั้นนี่ถือว่าพระพรหมไม่รู้พระพรหมคนเกิดมากับพระพรหมคนตายกับพระพรหมคนจะดีกับพระพรหม คนยัไม่ดีกับพระพรหมเอาเกิดมีคนดีกว่าพระพรหมก้นมาอีกแล้วเอ๊ะใครพระพุทธเจ้าเนี่เป็นผู้ทรงประกาศแล้วก็ที่ว่าข้อประพฤติปฏิบัติที่ประเสิร์ดเลิศยิง่งสำคัญพระพรหมี้อีกก็คืออาธิกัรยา y a นะงามในเรื่องตน้น มัตเธกัลยาณนะงามในถ้ำกลางประโยสานกัลยานะงามในที่สุดคือสูงสุดตั้งแต่ต้นยังสูงสุดงามหมดไทยเราในปัจจุบันนี้เห็นอะไรแปลกๆก็นับถือนะถ้าองั้นฝ่าอินเดียก็ไปนับถืออย่างที่พูดแล้วข้างต้นของดีๆมีอยู่ในบ้านเมืองของเราบางทีก็ไม่เคยสนใจ บางทีก็ไปหลงอย่างอื่นเสียมัวเมาประมาทพวกโยมนี่โชคดีนะมาปฏิบัติธรรมกับพระอายุน้อยอายุมากก็ไม่สำคัญถือว่าโชคดีแล้วพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงประกาศคำสอนครั้งแรกได้จัดเรียกคำคำสอนของพระองค์ว่าพรหมจัน์ ไม่ได้เรียกว่าธรรมะวินัยคำแรกที่พระองค์จัดเรียกคำสอนของพระองค์เป็นคำรวมว่าพรหมจันทร์พรหมจันทร์พรหมจันทร์เป็นคำแรกเลยทีเดียวต่อมาก็มีคำอื่นเกิดขึ้นตามมาและคำที่เราได้ยินกันมากก็คือคำว่าธรรมะวินัย คำว่าธรรมวินัยนั้นเกิดทีหลังจากคำว่าปรมจันทร์และที่เรายืนยันได้แน่นอนว่าเป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ก็คือตอนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานพระพุทธเจ้าของเราจัด กับพระทั้งหลายเวลาที่พระองค์บรรทมแปลอนุท ธ, ธานาศายาตอนุท ธ, ธานะสยาตคือเป็ น, ปนการบรรทมครั้งสุดท้ายจะไม่ทรงลุกขึ้นมานั่งอีกแล้วเรียกเป็นสัพพะว่าอนุทานะสยาตพระอราหันต์นั่งเฝ้ากันเต็ม ก็ จ, จัดว่าถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านธรรมดาว่าท่านตายไปแล้วทาโมจะวินโยจะทา ม, มะอย่างหนึ่งวินัยอย่างหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้ว และได้ทรงบัญญัติไปดีแล้วจะเป็นครูของพุทธบริษัททั้งหลายซื้อไปในเบื้องหน้านี้เป็นคำที่สุดท้ายที่สุดจากปรินิพานและจัดคำนี้ที่เรายืนยันได้ว่าคำว่าธรรมวินัยนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงชัย ที่วันในเบื้องแรกไม่มีนั่นก็เพราะว่าทีแรกพระพุทธเจ้าศัสรูทีแรกออกสอนนั่นวินัยยังไม่มีคือการบัญญัติข้อวินัยต่างๆยังไม่มีเพราะพระพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวเนี่ยยังไม่มีวินยัยเสด็จไปเมืองรัตน์ไปเมืองพารณสีได้พระเบญจวัคคีขึ้นมาห้าองค์ก็ยังไม่มีวินยัย วินัยยังไม่ได้ทรงบัญญัติก็ยังไม่มีพระทรี่จะประพฤติปฏิบัติไม่งดงามได้ทรงบัญญัติพระวินยัยตอนเมื่อพระองค์ได้ทรงอนุญาตให้บวชแทนพระองค์ได้ โดยวิธีหนึ่งที่เรียกว่าติสรณคมนูปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าของเราบวชนั่นนะพระรู้กันโดยทั่วไปโยมอาจจะไม่ทราบแต่โยมที่เรียนก็ทราบเรียกว่าเอหิภิกขุปสัมปทาฟังเทศแล้วเข้าใจบรรลุรรมพระพุทธเจ้าก็ประทานการบวชให้เรียกว่าเอหิภิกขอุปสัมปทา เอาละรับบวชให้เป็นพระได้กูง่ายๆเท่านั้นแหละเพระพระพุทธเจา้าท่านทรงทราบหมดนี่ไม่เหมือนเราเดี๋ยวนี้แล้วนี้เรากลังกันแล้วกลองกันอีกบางทีก็ยังมีข้อนโน้นข้อนี้ที่เป็นปัญหาเป็นข้อบกพร่องพระพุทธเจา้าท่านทรงแทงทะลุตลอดหมดไม่ว่าไม่ใช่ว่าเพียงแต่บรรลุแทงทะ ล, ลุตลอดอริยสัจสี่อย่างเดียวเท่านั้น แม้แต่คนที่จะเข้ามาก็ทรงแทงทะลุตลอดหมดแร้งั้นเอาบวชเป็นพระได้เป็นวิธีที่หนึ่งต่อมาก็มีพระออกไปประกาศพระศาสนาแต่ยุคต้นมากในปีนั้นแหละในปีของการตรัสรู้นั่นแหละก็มีคนอยากบวชแล้วจึงได้ทรงอนุญาตให้พระบวชได้ ให้พระรหันต์ช่วยกันบวชได้จึงเรียกวัตติสนักมนูปสัมบทาิถัดจากนั้นอีกไม่นานในปีนั้นอีกแหละพระสงค์กว้างขึ้นผู้ยะที่อยากจะบวชก็มีมากขึ้นอย่างนี้ต้องมีผู้ควบคุมดูแลแล้วแล้วใช้แต่พระองค์เดียวไม่ได้แล้ว อาจจะพลาดขึ้นมาได้เพราะว่าพระอระหันต์ท่านไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดไม่ใช่พระอระหันต์เกิดมีพระอารหมุ่นขึ้นก็จะยุง่งพระพุทธเจ้าจึงทรงกําหนดว่าต่อไปแต่นี้การบวชที่เรียกว่าติสนั ก, กรมลุประสมัมมาทาคือพระอระหันต์แต่ละองค์บวชได้บวชได้นาะยยุให้บวชโดยถือเอาความถือเอาสง์เป็นใหญ่ ต้องมีประสงค์ครบจำนวนที่เรียกว่าครบองสองจึงจะบวชได้และต้องสวดประกาศซักซ้อมกันมากมายเรียกวิธีการบวชนี้ว่ายัติจตุถักกรร ม, มวาจาสาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสุสันติที่จบไปนั้นก็เป็นธรรมบรรยายของพระเดชพระคุณ เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสเกต ร, ราชวรวิหารกรุงเทพกรรมการมหาเถระสมาคมและเจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกและที่สําคัญพระเดชพระคุณท่านเป็นองค์ประธานสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพระเดชพระคุณท่านได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมโครงการอบรมพระกรรมฐานประจําปี ของวัดหลวงพ่สดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายทางคณะผู้บริหารงานจึงได้กราบราตนาประเดศพระคุณท่านถวายความรู้แด่พระภิกษุสามเณรสาธุชนผู้เข้ามารับการอบรมพระกรรมฐานประจําปีได้รับฟังความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระธรรมวินัยซึ่งประเดศพระคุณท่านก็ได้อธิบายขยายความความเป็นมาของคําว่า พระธรรมวินัยและคำว่าพรหมจรรย์อันประเสริฐที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงไว้นี้เป็นหลักฐานสำคัญทางพระพุทธศาสนาธรรมะบรรยายเรื่องนี้ยังเหลืออีกอยู่หลายตอนแต่วันนี้เวลาของทางรายการหมดลงเพียงเท่านี้แล้วขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังสารธรรมจากธรรมะบรรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไปก่อนจากกันอาตมาภาพขอ นำเอาพุทธศาสนสุภาษิตมาส่งท้ายให้สาธุชนได้ตรึกนึกพิจรารณาซึ่งปรากฏอยู่ในปิยสูตรพระไตรพิดกเล่มที่15หน้าที่103ความว่าอัตตาญเจปียงชัญญาณังปาเปนะสังยุเชแปลความเป็นภาษาไทยว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ไม่ควรเอาตนไปทำความชั่ววันนี้เวลาของทางรายการธรรมะส่สติก็หมดลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านผู้ฟังโปรดติดตามรับฟังธรรมะบรรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในพระสัทธรรมจงมังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร All mm right. -hmm.